เมื่อวานหลวงพ่อออกไปธุระที่บ้านผือแล้วก็ไปดูพอไปชมสำนักงานเขตการศึกษาเขตสีของบ้านผือเรานะ่ที่หลวงพ่อไปสร้างให้ยังเหลือแต่สีส่วนอื่นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วยังเหลือสีเขากำลังทากันอยู่หมดไปล้านล้านเ็ดหมื่นกว่าบาท ตั้งชื่อเป็นหอประชุมเมตตาธรรมพระธรมริสุธิมงคลหลวงตามหาบัวยนัสัมปันโน92ปี2548ก็พรอบ92ปี2548ตั้งชื่อเป็นหอประชุมของหลวงตา แต่ดูเข้าไปข้างในโอ้กว้างขวางนะจะไปชมคนได้เป็นสองสามรคนนะถ้านั่งตามระเบียบเพราะงั้นจะนั่งแบบสบายๆกว้างใช้พื้นที่ติดอย่างเต็มที่แล้วันไปดูอาคารเสร็จเรียบร้อยเลยเข้าไปอุดรไปการาบครวะเจ้าพณะจังหวัดกราบครวะเจ้านาย่างั้น ออกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เลยไปกราบหลวงปู่ลีอีกหลวงปู่หลีผาแดงที่เป็นดุลเพที่อยู่ด้วยกันกับวงหลวงตาเป็นพระเถระผู้ใหญ่อายุของท่านก็แปดสิบกว่าปีแล้วนะแต่หลวงปู่เพียนกับหลวงปู่บุญมีบวชก่อนหลวงปู่ลีหลวงปวู่หลีบวชทีหลังแต่อายุอายุของท่านมากกว่า ท่านเป็นกระวาดเคยมีครอบครัวมาแล้วจึงมาบวชเพรนั้นอายุของท่านจะมากกว่าหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมีแต่พรรษาของท่านน้อยกว่าท่านบวชปี2492งานศพหลวงปู่มัน่นงานประชุมเพลิงศพหลวงปู่มัน่นที่ท่านบวชปีนั้นแหะปีหลวงปู่มัน่นดับขันประชุมเพลิงศพที่สกลนคร นั่งสนตนาปารกกับท่านพอสมควรนานไม่ได้พบได้เจอท่านรู้สึกว่าท่านก็แข็งแรงเลยนะแปดสิกว่าปีท่ำผ้าแดงอำเภอหนองบวัวซอจังหวัดอุดรเรานี่แหละจากนั้นก็เลยได้ไปใกล้ตามปกติได้ไปกราบเหมือนกันกราบหลวงปู่เพงท่ากองเพลนอันนั้นก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่เหมือนกันแก่พรรษากว่าหลวงปูล่ลีแต่อ่อนพรรษากว่าหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมี แต่บวชนั่นอ่ะบวชก่อนของปุรีปีหนึ่งมั้งที่ท่านออกมาบวชแล้วก็หลวงปู่มันก็มาละนาพปีนั้นแต่หลวงปุรีบวชในงานศพหลวงปู่มันเพราะฉนั้นหลวงปู่เพงบวชก่อนแต่ก็คงจะเป็นปีเดียวกันต้นปีบ้างนั้นแล้วก็ห่างกันคงไม่กี่เดือนหลวงปู่เพงทําคงเพลงแต่ก่อนท่านเป็นเนนหลวงปู่มันเหหลวงปู่เพงนี่นะหลวงปู่เพงเนี่ยเป็นเณนอยู่ในวัดบ้านหนองผือ เน้นใหญ่ว่างั้นน้ะแล้วก็ได้บวชตอนที่หลวงปู่มั่นป่วยเพียบหนักก็ได้ออกมาบวชข้างนอกแล้วกลับเข้าไปจากนั้นก็ออกมาจัดงานประชุมเพลิงศพลุงปู่มั่นในวันนั้นเมื่อวานนี้นก็เลยไปขึ้นไปกราบเจดีหลวงปู่ขาวไปเห็นเจดีหลวงปู่เ้าคราวนี้รู้สึกช่างเขาซ่อมรู้สึกเออดีแต่ไปเคราวก่อนๆไปเห็นนะ รู้สึกว่ามันกระบุ่งกระเบื้องอะไรมันก็แตกดูๆแล้วไม่ไม่เจริญตาว่างั้นแหละไปคราวนี้วันนี้เมื่อวานไปเออรู้สึกช่างเขาซ่อมดูแล้วอยู่ในสภาเนี่ยแหละเจดีถ้าเรานานๆไปถ้าไม่ซ่อมมันมันไม่ได้นะมันต้องตรงไหนที่มันไม่ดีกระเบืองมันแตกมันหลุดมันเล่ามันอะไรมันก็ต้องได้จุดได้ยาได้ทําความสะอาด น้ำถยกน้ำยาล้างแต่เมื่อวานเขาไปกราบกระวะเจดีหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วก็เลยลงมากราบหลวงปู่เพ่งในทราบข่าวท่านไปนุ่นไปเพชรชุนโลกก็เลยไม่ได้กราบท่านก็เลยฝากแต่ของกระวะไว้ที่นั่นจากนั้นก็เดินทางกลบับมาถึงวัดเขาคำพอดีเมื่อวาน การเป็นอยู่เราจะอยู่ตามลำพังก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมู่ครูบาอาจารย์สหธรรมิกทั้งหลายเพราะการอยู่ก็ต้องมีเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอย่างว่าวัดวาศาสนาพระสงฆ์สมมเนนอุบาสกอุบาสิกาแต่ต่อไปนี้สมมาเนนคงจะหาน้อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วว่างั้นเถอะเพราะว่า กฎหมายบันเมืองเขาให้เด็กเรียนหนังสือป .6 แล้วก็ม .1 ม .2 ม .3 จนถึงม .6 ยังค่อยงดภาคบังคับเด็กขนาดน้ำกับ1718แล้วไม่บวชเป็นเนรแล้วจากนั้นก็หาทำการทำงานถ้ายังไม่ครบทำไม่ครบ20จากนั้นก็คงจะเรียนต่อไปอีก เพะนต่อไปเนนนี้คงจะหมดนะเบนเสียจะพวกเนนมาจากไม่เจริญถิ่นไม่เจริญภูเขาเอออาจจะมีอยู่แต่เนนในเมืองเนนในชนบทเนนในพวกบ้านเราทั้งหลายเนี่ยเขาคงจะหมดแล้วบังงั้นพราะเนนที่วัดเทาก็เห็นไหมแต่ก่อนลุงพ่อเขาคุยได้ว่อเราเคยเป็นเนนมาก่อนเราเป็นเนนตั้งแปดปีพราะเนนที่วัดเรานี่ยไม่เคยขาดเนนมีตั้งเยอะแยะตลอด เรียนศีลสี5องค์3 4สีองค์ผลที่สุดก็หมดหมดมาหลายปีแล้วบวชเข้ามากับส่งไปเรียนหนังสือจะอยู่วัดป่าไม่ได้เพราะมันกฎหมายให้ไปอย่างนั้นมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเขาเพราะนั้นจังจไม่มีสัมเรณวัดต่างๆไม่มีสัาเรณพิกษุนีก็เคยหมดมาแล้วนะพุทธบริษัท4พิกษุนีหมดมาแล้ว ภิกษุสัมมาเนนเอาสั ม, มนเนรมาแทนแทนภิกษุณีและก็หมดอีกเลยคงจะเป็นพุทธบริษัทสามันภิกษุอูบาสกูกบาสิกาดีนะมันน้อยแล้วมันก็ดีนะมันดูแลง่ายวะถ้ามันมากแล้วมันดูแลยากถ้ามันน้อยก็ดูแลง่ายนี่พระในคั้างพระพุทธเจ้ามีโยมคนหนึ่ง เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอยากจะได้บุญอยู่ตลอดคือศรัทธาความศรัทธาคือความเชื่อในบุญในกุศลทาดีได้ดีดทาชั่วได้ชั่วทำอะไรขึ้นมาเออรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจเย็นอกเย็นใจจากนั้นก็ทำทานพอทำทานเต็มที่แล้วก็เลยถามพระสงฆ์อีกพระคุณท่านครับผมจะทำอะไรที่จะได้บุญมากไปกว่านี้ พระสงฆ์ท่านบอกเออเมื่อให้ทาน เ, ออเต็มที่แล้วก็ควรจะรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าจบแล้วตู้ยิ่งจิตใจยังาภาคภูมิใจอย่างมากพราอะไรรักษาศีลด้วยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเ อ, อ๊ะท่านพระคุณท่านครับผมอยากจะได้บุญมากกว่านี้ทํำยังไงพระทันพินเป็นประธานสงฆ์เออลักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8 รักษาศีลห้าเนี่ยคือศีลพระโสดาบันทักษาศีลแเนี่ยคือรักษาศีลพระอนาคามีผู้รักษาศีลบริสุทธิ์พระอนาคามีถึงเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามศีลพระอนาคามีคือศีลแเนี่ยเป็นศีลบริสุทธิ์ในพระอนาคามีตลอดอันนี้คือศีลของพระอนาคามีผู้จะหนีจากโลกพอดีเขารักษาศีลอุโบสถแล้วโอ้ดีจะทํายังไงผมจะได้บุญมากกว่านี้อีก อุปชา อ, อาจารย์นั่นก็บอกไม่มีทางอื่นแล้วก็นอกจากบวชเป็นพระบัดเนี่ยอยากจะได้บุญมากก็บวชเป็นพระปฏิบัติสะสะแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิอดอีกในวัฏจักสงสารเป็นพระนะ่ยต้องตัดจากโลกไปเลยเอาบวชก็บวช เ, เตรียมตัวบวชพอบวชเสร็จแล้วท่นเนี่อุปชาก็สอนอนุสาสตร์ กิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทํากิจที่ควรทําของพระนั่นคืออะไรในเมื่อบวชเข้ามาแล้วอนุสาสแปอย่างนิสัย4กิจที่ควรทํา4อย่างกิจที่ไม่ควรทําที่หนักหนาที่โทษประหารมีอยู่4เรียกว่าอกรณียกิจสอกรณีแปลว่ากิจที่ไม่ควรทํากรรณยกิจกิจที่ควรทําอักรณยกิจคือกิจไม่ควรทํา อย่างละสี่อนนี้จากนั้นก็สอนอรูศาสตร์สอนการเป็นอยู่ของพระควรทำตัวอย่างไรจากนั้นพอเสร็จสอนนะก็เอาให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนานะสอนกรรมาฐานห้าเพิ่มเติมเข้าอีกจากนั้นไปไปหาอาจารย์มาอาจารย์ก็คืออาจารย์สอนวินัยบาตรเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วตั้งต้รักษาศีลสองอยี่สิบเจข้อนะ นอกจากศินสองี่สิบข้อยังมีอีกสินพภิสมัยจาร์ท่านต้องปรงผมท่านต้องตัดเล็บท่านต้องป่งหนวดท่านต้องแปลงฟันท่านต้องอาบน้ำเหล่านี้แหละให้ค้าว่าเป็นศินนอกพระปฏิโมกได้ไม่ไม่ใช่สินในปฏิโมกได้ป่าสนี้ศี่สิบเจ็ดนั่นอีกอย่างหนึ่งเลยสินนี้สินนอกพระปฏิโมกอีกเป็นร้อยรพันพันเหือนนั่นอาจจะว่าเป็นหมื่นก็ได้เหมือนนั้นเถอะ ถ้าดูในปฏิปฎพระพุทธเจ้าห้ามสิ่งไหนก็เป็นอับัติทุกกฎบงังเป็นปาจิตีบงังเป็นทนุนลใจบงังแต่อับัติที่พื้นฐานก็นมีอยู่แล้ว2 2 7รอจข้อโอ้เรนนี้พอบวชก็มาอาจารย์สอนวินัยแต่นั่นอึดอัดเลยบาดเนีตายตายตาย ต, ย ต, ยตยข้าพระเจ้าอยากจะได้บุญมากบาตรได้กลับมาอึดอัดใจอีกเอาอย่างไงวะ ข้าจะรักษาสินห้าข้าจะรักษาได้ยังไงมันรักษาไม่ได้ไอ้นี่รักษาศินสองรยยี่สิบ เ, เนี่ยก็พอแรงอยู่แล้วยังสินอภนิษมาจานอีกคิดแต่เพื่ไหนก็ไม่ได้แตนี่มีต่อบัตทั้งนั้นเลยแต่นี่มีแต่โทษทั้งนั้นเลยเอยโทษคือสิ่งที่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามทำํำคือตีก่อไปเลยว่างั้นเถอะตีก่อไปถี่ยิบเลยให้เข้ามาทำรั้วสองข้างเลยให้เดินตรงไม่ออกนอกลูก่นอกทางการออกนอกลูก่นอกทางมันเสียเวลา มันช้าในการเดินทางเพราะท่านต้องตีทางสนมสองข้างให้ถีไวเลยงั้นเถอะถ้าจะว่าไปเลยข้างละสองยี่บห้าลาวงั้นเถอะมันถีขนาดไหนเออลาวสองยยสห้าลาวสองข้างให้เดินตรงกลางมันถีขนาดไหนก็ต้องโออึดอัดว่างั้นเถอะตอที่เราไปหาอาจารย์มาเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์ผมคงอยู่ไม่ได้หรอกผมอยากจะลาสิกขาแล้วนะทาไหม โอผมได้รับการศึกษาจากอาจารย์แล้วเรื่องวินัยผมรักษาไม่ได้แล้วนะัวินัยโอ้โหทาให้ผมทุกข์ใจมากถ้าจะให้ผมปฏิบัติอย่างนั้นผมปฏิบัติไม่ได้ตามวินัยที่อาจารย์แนะนําสั่งสอนผมนั้นผมขอไปรักษาสิ้นห้าครับรักษาสิ้นห้างรักษาศิ้นแปดเป็นกระว اة ยังจะดีกว่าถ้ารักษาศิ้นอย่างนี้ผมไปกินข้าวของชาวบ้านอีกโอ้ถ้าผมผมรักษาสิลไม่ได้บาปกรรมของผมอีกผมไม่เอาแล้วครับ ผมขอลาผมขอเทิดทูลแต่ว่าผมปฏิบัติไม่ได้ผมยอมแพ้ที่นี้ทํำยังไงพระที่เป็นอาจารย์พระที่เป็นอุปัชาก็พอพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาถ้าคนมาปฏิเสธอย่างนี้จะให้ตอบอยังไงมันคนเกิดบว์เข้ามาแล้วก็ต้องอึดัดอย่างนี้ก็นําไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติวินัยนะพระพุทธเจ้าเออถ่าอย่างนั้นก็ ท่านไม่ต้องปฏิบัติตามวินัยของเราก็ได้นะอันนี้วินัยของเราก็นั้นะเละยืดหยุ่นของนั้นเะเห็นแก่คนรูปหน้าป่าจมูกเพราะพุทธเจ้าท่านบ่ได้ว่าอย่าง น, นั้นเทอะเลยเข้าไปหาท่านไปไงภิกษุเธอทําไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าข่าวกับผมคิดว่าอยากจะได้บุญเป็นกระวาดก็ให้ทานรักษาศีลไล่มาตามขั้นตอนจนถึงอยากจะเป็นได้บุญมากกระบดเป็นพระ พอปวดเป็นพระนา อ, อุกับผมศึกษาวินัยกับอาจารย์แล้วผมทําไม่ได้วินัยสู้สูหดเข้มงวดกวดขันมากถ้าผมทําไม่ได้ผมไปกินข้าวของเจ้าบ้านเป็นบาปเป็นกรรมผมกินข้าวของตัวเองไปทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ทําบุญทําทานไปสบายใจกว่ากับผมผมเลยจะขอลาสิขาขอลาสิกไปเป็นครว่าตพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าเธอรักษาอันเดียวได้ไหม ไม่ต้องรักษามากเออถ้าอันเดียวได้อยู่พระเจ้าข่าถ้ารักษาอันเดียวถ้ารักษาหลายอย่างก็ผมรักษาไม่ได้อ้าวไม่ต้องรักษาหลายอย่างนะอ๋อรักษาอันเดียวคือรักษาใจให้รักษาใจอย่างเดียวอย่าไปรักษาอย่างอื่นถ้ารักษาอื่นมันยุ่งยากรักษาใจอย่างเดียวครับผมรักษาใจอย่าให้มันคิดไปในทางชั่วนะนี่อย่าไปคิดในทางที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปคิดในทางที่เป็นอกุศลอย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปคิดโลภโกรธหลงอย่าไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้คิดอยู่ในธรรนองครองธรรมให้มีพุทโธอยู่ในใจให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอย่าไปคิดไปทางอื่นดูใจตัวเองอย่างเดียวได้ไหมได้พระเจ้าขา่าวจะได้กัการกราบพระพุทธเจ้าลงมา ไม่ดูที่อื่นเน่ยดูแต่ใจอย่างเดียวอีกไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อ่าพราะมันเรื่องทั้งหลายทุกทุกสิ่งทุกอย่างไปออกไปจากใจเนี่ยมันดูใจเสอย่างเดียวท่านมันก็หมดดูต้นตอของมันแล้วอา่าที่ความผิดทั้งหลายแหละก็คือเป็นลากแก้วลากฝอยเก็บกับพี้ใบดอกมันออกไปต้นตอมันจริงจริงก็คือลากแก้วของมันก็คือใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจสิอย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเห็นเพราะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าไปดูที่อื่นให้ดูที่ใจดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นิตใจกิเลสอยู่ที่ใจทำอยู่ที่ใจความโง่อยู่ที่ใจความฉลาดอยู่ที่ใจความโง่กับความฉลาดมันอยู่คนละมุมกันทนเอง ถ้าพลิกความฉลาดคือมาความโง่ก็ตกไปถ้าหาว่าความโง่ของเรายังมีอยู่ความฉลาดของเราก็เกิดไม่ได้เหมือนกับดูในถ้ำมืดมิดไม่เห็นแสงสว่างเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีอยู่ในถ้ำแต่เราเอาไฟส่องเข้าไปสว่างเข้าไปถ้ำนั้นก็สว่างความมืดถึงจะอยู่เป็นอนันตการมันก็หายไปได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหาว่าตัวใจของเรา เรื่องปัญญาขึ้นมาในจิตในใจฝึกซ้อมขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาคิดขึ้นมาก่อนที่จะปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุและผลที่จะต้องเอาชนะจิตใจตัว น, นั้น mm. เมื่อเอาชนะจิตใจอ น, นันได้แล้วแปลว่าชนะเป็นอนันตาการด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้สอนจุดอื่น เราอย่าไปสอนว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พ้นที่สุดเพราะพระติเจ้าเน้นลงที่จุดใจทั้งนั้นให้เราศึกษาให้เข้าใจให้ดีก็แล้วกันชาวพุทธเราอย่าไปงมนั้นอย่าไปคำนั่นคำนี้ไปคำข้างนอกให้ดูใจของตนเองแต่ละวันใจของเราคิดเรื่องอะไรถ้าดูใจของตัวเองนั้น น, นจบเราจะไปคิดออกไปทางส่งไปออกทางชั่วจะไปคิดไปในทางชั่วในเมื่อคิดทางชั่วมันก็พูดออกไปทางชั่ว ถ้คิดไปตั้งชั่วมันก็ทําไปทา้งชั่วเพราะันกายกับวาจาเนะี่ยมันเป็นลูกน้องของใจใจเป็นผู้บงการสิ่งเหล่านั้นไปจึงออกไปเพราะนั้นพวกเรานะเมื่อเรียศึกษาธรรมะอย่าไปคิดหนักใจเพราะนั้นให้ดูที่ใจเรื่องภายนอกนะมันเป็นเรื่องภายนอกกรรมของใครของเราถ้าใครทํากรรมชั่วไว้กรรมเขาก็ต้องได้แบกกรรมชั่วได้รับกรรมชั่วของเขา ถ้าเราเขาทำกรรมดีเขาได้รับกรรมดีของเขาไม่มีใครที่จะไปแบ่งเบาภาระของใครของเราได้เราทำกรรมสิ่งไหนไว้เราก็จะได้รับได้รับกรรมสิ่งนั้นนรกสวรรค์บาป บ, บุญคุณโทษเป็นอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดถ้าเราไม่ทำกรรมชั่วเราจะไปตกนรกได้ยังไงถ้าเราไม่ไปลักไม่ขโมยเขาเราจะไปติดคุกได้ยังไงในเมื่อเราไปขโมยไปป่นไปจี้เขาเราก็ต้องติดคกุกติดตาราง แต่บางคนไม่ได้ติดไม่ได้ทำความชั่วแต่เข้าคุกเข้าตารางเพราะนั้นเพราะความเซ่อเพราะความโง่ไม่สามารถที่จะเอาชี้แจงให้เขาฟังได้และอีกอย่างหนึ่งเป็นวิบากกรรมในอดีตต้องย้อนถึงอดีตด้วยเหมือนกันน ะ, ะถ้าว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ทําแต่เขาหาเรื่องใส่แต่เราก็ได้รับกรรมนั้นแ น, น่นอนว่าวิบากกรรมในอดีตแต่ก่อนเราเคยทําให้แก่เขาเราควรจะหาเรื่องห่าราวใส่เขา ทั้งที่เขาไม่มีเรื่องมีลาวก็หาเรื่องใส่เขาอันนั้นวิบากกรรมจะต้องตกมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะคิดจะทําสิ่งใดก็ตา่างทาให้จริงจังและอย่าพูดอย่าคิดอย่าทําในสิ่งนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเมื่อถูกต้องแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นผู้รับกรรมนั้นเมื่อเราทํากรรมดีเราต้องพูดในเรื่องที่ดีคิดในเรื่องที่ดีทําในสิ่งที่ดีทํามันดีมันถูกต้องแล้วทาจุดนั้นให้เชื่อมั่นในตนเอง ถ้ามันไม่ดีแล้วอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดอีกต่างหากพราะทำไปแล้วกรรมแต่แล้วมันจะตามสนองไม่พบไรก็ต้องชาติหนึ่งมันมาจะย้อนมาหาตัวเองเพราะตัวเองทำกรรมที่ไม่ดีเอาไวเห็นเพราะนั้นพวกเราให้เชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมนะกรรมมันคือการกระทามันออกไปจากใจของเราทั้งนั้นแหละ ม, มะโนโนย์พพังคมาธรร ม, มโนเ์เสรามนมายานเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า พระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องใจเป็นสําคัญแต่แตอนี้ถ้าว่าเอาใจอย่างเดียวใครก็ไม่รู้ก็ต้องมีออกแสดงออกมาว่าการกระทําควรทําอย่างไรให้มันถูกต้องการที่จะพูดพูดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องและแตอนี้ก็าออกเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกฎเป็นหมายออกมาแล้วเป็นหลักธรรมวินัยออกมาเพื่อให้พวกเราได้ นำมาปรปับปรุงแก้ไขประพฤติปฏิบัติถ้าทุกอง์อยู่ในกฎหมายบ้านเมืองในประเทศนั้นถ้ากดถ้าทุกพระสงฆ์อยู่ในธรรมวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีอย่างที่มันมีก็เพราะมันออกนอกรั้วนะั่นนะมันปีนรั้วออกไปรั้วทั้ง227ลาวนั่นนะมันยังเล็ดลอดออกไปตัวกิเลสแสดงว่าตัวกิเลสมันเล็กกว่ามันเล็ก มันเล็กมากๆเลยว่างั้นแต่ขนาดรั้ว227ลาวมันยังรอดออกได้ว่างั้นแต่นั้นสินของพระพุทธเจ้านี่กั้นเอาไว้ไม่ให้ใจออกไปหาความชั่วนะแต่พวกเรามันอย่างว่านั่นะประตูวัดของเราประตูวัดไหนก็เปิดทั้งสองประตูบางทีวัดบางวัดไปถึงสี่ห้าประตู เข้าทั้งน้าทั้งหน้าทาท้งข้างก็ได้อยู่ในบ้านในเมืองมีหลายประตูว่งนั้นไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ประตูคุกประตูตารางเน่ะใส่กุญแจทั้งสามชั้นยังเรียนคิวกันยาวเหยียดอยากจะเข้าคุกเรียงแถวกันว่างั้นเรียงคิวกัน เ, เพื่อจะเข้าคุกมันเป็นยังไงมันมึงเป็นอย่างนั้น แสดงว่าคนเราในชอบทําความชั่วมากกว่าความดีความดีประตูวัดนะั้นสั่งสอนธรรมะให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งควรทําไม่ควรทําสิ่งควรพูดไม่ควรพูดสิ่งไหนที่ดีรู้จักคุณบิดามารดารู้จักคุณประเทศชาติป้านเมืองรู้จักคุณเจ้าฟ้าหมหากษัตริย์ไวยวุฒิคุณนวุฒิครบรอบไหว้สักการะบูชาพระคุณทั้งหลาย วัดวาศาสานามีแต่สอนกันอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้านู่นยังชิงกันลงนรกกนะันยังชิงกันเข้าคกุกเข้าตารางนะนะั่นนะพิจารณาดูสิที่หลวงพ่อพูดนี่มีส่วนหรือไม่หลงพ่อว่ามีส่วนทีเดียวแหละพวงธ น, นใจของเราเป็เช่นเดียวกันนะั่นแหะแต่ละวันแต่ละเวรามันไหลไปทางไหนให้พวกเราสังเกตดูกัแล้วกันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเอง ตัวของเราเนี่ยนะรู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดวันหนึ่งเราคิดในเรื่องอะไรคิดไปในทางต่ำคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมตัวคิดไปบุญกุศลมากกว่ากันนี่แหละให้ทบทวนดูให้ตรวจตราดูแต่ละวันอย่าไปคิดตำหนิคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นให้มองตัวเองให้มาย้อนมาหาใจตัวเองตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมาถึงวันนี้ มาถึงเวลานี้เราคิดไปในทางไหนบ้างเราหนักในหนักใจเรื่องอะไรบ้างเราโมโหให้แก่ใครบ้างเรารักใครบ้างเราหลงใครบ้างเราเกลียดใครบ้างเราพยาบามตรอาฆาตใครบ้างหรือใจเฉยเฉยละใจเราไม่ได้คิดได้อ่านอะไรปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจอะไรหรือว่าใจของเราคิดใฝ่ในการกุศล ส, สนใจในธรรมะ ดูใจเขาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่กับจิตตลอดอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะนั่นพวกเราทุกๆท่านนะที่พูดท้งนี้ท่านนั่นจะเป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกเราอย่าไปหลงมองออกไปข้างนอกจนเกินไปให้มองมาหาตัวเองบ้างถ้ามองมาหาตัวเองแล้วจะเห็นความขาดตกบกพร่องหรือความดีและความงามของตนเอง สิ่งทีไหนที่มันดีเราก็พยายามทำให้เจริญงอกงามขึ้นเพิ่มพูลขึ้นถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เอาตัดพยายามตัดมันลงเพราะมองเห็นต้นต่อของมันแล้วที่เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากเราหนึ่งก็ดีสก็ดีที่มีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นบาปอักุศลที่อยู่ในใจของเราหนึ่งก็ดี2ก็ดี3ก็ดีมีอยู่แล้ว กนะุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นมันเนี่ยมันเป็นมะพร้าวสองหน่ออยู่ในใจของเราเนีเพราะนั้นทั้งบาปก็ดีถ้ามันมีหนึ่งสองสามมันก็จเจริญขึ้นทั้งบุญกุศลถ้าเป็นบุญกุศลนะถ้าเป็นบาปกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นบาปกุศลหนึ่งสองสามมันมีแล้วมันก็จะไหลไปทางบาปเพราะฉะนั้นให้ดูที่หัวใจเราตนตอนของเราเราจะรู้ได้ ไม่มีใครที่จะรู้ริ่งกว่าตัวเองแต่ละวันเวลาเราคิดปุ่งฟุ้งไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางอากุศลก็แสดงว่าใจของเราเนี่มีบาปอากุศลอยู่แล้วหนึ่งละสองสามอากุศลอื่นที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นมางอกเงยขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะพยายามขจัดในสิ่งที่มันไม่ไดีออกจากใจของเราพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พานพาขจัดออกแล้ว มีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกกิเลสออกจากใจ